พระสูตรต่อไปนี้ก็ เ, เป็นตัวอย่างที่แสดงประโยชน์ขั้นทิตธรรมด้วยการบริหารจัดการการมโภคะและการมสุขในแง่ที่เน้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองซึ่งเมื่อสังเกตให้ดีจะเห็นว่าโยงต่อขึ้นสู่ขั้นสัมปราคาด้วยเช่นกันพึงสังเกตด้วยว่าพระสูตรนิตรัสแก่อนาถบินทิกาเศรษฐีซึ่งเป็นโซดาบันบุคคลและน่าสนใจมากว่าในสุขสามข้อต้น ทรงใช้คำว่ากุลบุตรแต่ในสุขข้อที่ 4, ส่ทรงเปลี่ยนเป็นอริยสาวกซึ่งเป็นข้อที่ขึ้นสู่ระดับสัมป라ครั้งนั้นแหลท่านอนาถบินทิกาเขรหาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนที่ควรข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรเขา้าฤหัุปีสุขสี่ประการนี้อันคฤหัสผู้บริโภคกามพึงได้พึงถึงอยู่เสมอเสมอกล่าวคือ 1. อัติสุขสุขเกิดจากความมีทรัพย์ 2. โภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค 3. อนันตสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ สีอนนาวชสุขสุขเกิดจากอนนาวัชกรรมดูก่อนกฤหาพอดีก็สุขเกิดจากความมีทรัพย์เป็นไฉนคือกุลบุตรมีโพคะอันหามาได้ด้วยความขยันมันเพียนเก็บรวบรวมขึ้นมาด้วยกำลังแขนยังอาบเหงื่อต่างน้ําเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัตว่า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 ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอันเก็บรวบรวมขึ้นมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเนื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัดว่าด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมเราก็ได้กินใช้และได้ทำสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนี้เรียกว่าโภคสุข ดูก่อนกคริอหาบดีก็สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นชะไหนคือคุณระบุต์ไม่ติดหนี้สินไรๆต่อใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเราไม่ติดหนี้สินไร่ต่อใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากนี้เรียกว่าอ น, นันาสุขดูก่อนกคริอหาบดี ก็สุขเกิดจากอนวัชกรรมเป็นชนไหนคืออริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่ดีงามไรธธ้โทษประกอบด้วยวจีกรรมที่ดีงามไรธธ้โทษประกอบด้วยมโนกรรมที่ดีงามไรธธ้โทษเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนันสว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมประกอบด้วยวจีกรรมประกอบด้วยมโนกรรมที่ดีงามไรธธ้โทษนี้เรียกว่า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 มีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของความสุขที่เกิดจากอนาวัชกรรมสำหรับอนาวัชกรรมเช่นรักษาอุโบสถช่วยเหลือรับใช้ปลูกสวนปลูกปา่าสร้างสะพานขอให้ดูอีกพระสูตรหนึ่งคราวนี้แยกชัดโดยตรัดขั้นทิตธรรมจบแล้ว จึงต่อด้วยขั้นสัมปราที่ตามมาทั้งเพื่อเสริมค่าและควบคุมตามเรื่องว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้านิคมของชาวโกริลีชื่อกกระปัดใกล้เมืองโกเลยะโกริลบุตรชื่อทีกะชาญุเข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลถามดังความต่อไปนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นขรืหั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 ธรรมะสี่ประการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในทิฏฐธรรมแก่กุลบุตรกล่าวคืออุทานสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตตาสมาชีวิตาอุทานสัมปทาเป็นชไหนคือกุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงานไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมก็ดีพาณิชยกรรมก็ดีโครั ก, กรรมก็ดี ราชการทหารก็ดีราชการพลเรือนก็ดีศิลปะยังใดอย่างหนึ่งก็ดีเธอเป็นผู้ขยันชำนิชำนาญไม่เกียจคร้านในงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอบสวนตรวจตรารู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้ น, น, นสามารถทำสามารถจัดการนี้เรียกว่าอุทธานสัมปทา อารักขะสัมปทาเป็นชนไหนคือกุลบุตรมีโภครั์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมขึ้นมาได้ด้วยกำลังแขนอย่างอาบเงือต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอจัดการรักษาคุ้มครองโภคซั์เหล่านั้นโดยพิจารณาว่าทำอย่างไรราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบโภคะเหล่านี้ของเราเสียพวกโจรจะไม่พึงลักไปเสีย ไปจะไม่พึงไม่เสียน้ําจะไม่พึงพัดพาไปเสียทายาทอปรีจะไม่พึงพลานไปเสียนี้เรียกว่าอารักขสัมปทาการยาณมิตรตาเป็นชไหนคือกุลระบุตรเข้าอยู่อาศัยในคามหรือนิคมใดก็ตามเธอเข้าสนิทสนมสนทนาปราศัยถกถ้อยปรึกษากับท่านที่เป็นขหาพดีบ้างบุตรขหาพดีบ้าง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 ของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยจาคะศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยปัญญาของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาสมารชีวิตตาเป็นไนคือคุณระบุดเลี้ยงชีวิตพอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ให้ฟืดเครื่องเกินไปโดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูน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 กุลบุตรผู้นี้กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกินมะเดือ่อถ้ากุลบุตรนี้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวเอาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถาแต่เมื่อกุลบุตรนี้เลี้ยงชีวิตพอเหมาะนี้จึงเรียกว่าสมชีวิตตาดูก่อนพยาการปัด โคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีอบายมุก ค, คือช่องทางเสื่อมสี่ประการคือเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันมีมิด ช, ชั่วสหายชั่วปักใบนในคนชั่วเปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ำแหลงใหญ่มีทางน้ำไหลเข้าสี่ทางมีทางไหลออกสี่ทางหากคนปิดทางน้ำเข้าเสียเปิดแต่ทางน้าออก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 ธรรมะสี่ประการนี้แลเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในทิฏฐธรรมแก่กุลบุตรดูก่อนพยากรปัติธรรมะสี่ประการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราแก่กุลบุตรกล่าวคือศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปท า, า, าปัญญาสัมปทา ศรัทธาสัมปทาเป็นไนในข้อนี้กลุณระบุมีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละจนถึงเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาศิลสัมปทาเป็นไนในข้อนี้ กุลบุตรเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตละจนถึงจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศิลสัมปทาจาคะสัมปท า, า, าเป็นชไหนในข้อนี้กุลบุตรอยู่ครองเรือนโดยมีใจปราศจากมนทินคือความจรรีมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละเต็มที่ มีมือที่แบกคือพร้อมที่จะให้ยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการเจือจานแบ่งปันนี้เรียกว่าจาระสัมปทาปัญญาสัมปทาเป็นไฉในข้อนี้กุลบุตรเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยอริยปัญญาที่อย่างถึงอุทยและอาดง จำแรกเรื่องได้ให้ถึงความสิ้นทุกขโดยถูกต้องนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาดูก่อนพยาคปัตธรรมสีประการ น, นี่แหละเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราแก่กุลบุตรผู้ขยันหมั่นในงานไม่ประมาท ร, รู้จักจัดการเลี้ยงชีวิตพอดี ทรัพที่หามาก็รู้จักดูแลรักษามีศรัทธาพร้อมด้วยศีลรู้ความต้องการทันคำคนปราศจากความตนีชำระทางสัมปราให้เป็นความสวัสดีไว้ทุกเวลาธรรมะแปดประการดังกล่าวนี้ของคนครองเรือนผู้มีศรัทธาอันพระผู้มีศัทจาเป็นพระนามตรัสว่านำสุขมาให้ทั้งสองสถานทั้งประโยชน์จิตธรรมและความสุขสัมปรา และด้วยประการดังนี้จาค้าธรรมและปวงบุญก็จะเจริญเพิ่มพูนแกเหล่าคฤหัสทั้งหลายชาวบ้านหรือคฤหัสทั้งหลายแม้จะยังอยู่กับการมาสุขเมื่อบริหารจัดการกามโภคะให้เป็นประโยชน์ทิฏฐธรรมได้และไม่ลืมที่จะทำความคุ้นเคยไว้กับประโยชน์สุขสัมป ร, ราก็มั่นใจได้แน่นอนว่า จะมีชีวิตดีที่เจริญงอกงามมีความสุขอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งช่วยรักษาสังคมให้สุขสวัสดีเจริญก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน